เอา่ายอย่าซีเรียสเรื่องฉลาดแกมโกงเจ้าแก้วเห็นยายมิ่งแม่ค้าขายขนมถ้วยตะไล มันนึกอยากจะกินเหลือเกินแต่ไม่มีเงินจะซื้อแต่มันฉลาดแกมโกงจึงเดินเข้าไปหายายาทำทีเป็นถามยายว่ายายยายทำไมแก้มยายจึงตอบอย่างนี้ล่ะยายมิ่งก็ตอบว่าก่อฟันของยายหักหมดนาซีแกมจึงตอบเจ้า แ, แก้วจึงว่า อ๋อดีแล้วยายฉันมีวิธีที่จะทำฟันของยายให้ดีได้ยายอยากจะเอาไหมก็ดีอะสิยายตอบเจ้าแก้วก็ออกลวดลายยายยายตอนเนี้ยฉันกำลังหิวไม่มีแรงจะทำให้ฟันของยายดีได้ต้องขอให้ฉันกินขนมก่อนนะยายกำลังดีใจจะกลับเป็นสาวขึ้น จึงยอมให้เจ้าแก้วกินขนมถ้วยเสียจนท้องกางเอาลยยายฉันพร้อมแล้วไหนยายอ้าปากสิยายดีใจอ้าปากจนกว้างโอ้ยายอย่างนี้ทำไม่ได้หรอกเพราะฟันของยายหลุดไม่ใช่หักฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้ไไดยายมิ่งบ่นพึมพำ เราเกิดมาจนหัวงอกก็เพิ่งมาถูกเด็กหลอกวันนี้เองสวยจริงจริงมันเข้าตำราาโบราณว่าผีมันหลอกช่างผีตามทีมันคนเหมือนการหลอกกันเองกลัวเกรงนะักเสียขนมน่ะไม่ว่าแต่มันเสียรูนี่สิมันน่าเจ็บใจนะักและซ้ำร้าย เสียรู้เด็กเสียด้วย